เบื้องต้นขอนอบน้อมแด่องค์พระมันชุศีพระมหาโพธิสัตว์ผู้เพียบพร้อมด้วยพระมหาปัญญาที่คุณข้าพเจ้าขอโอกาสอธิบายขั้นตอนการภาวนาโดยสังเขป สำหรับผู้ที่เข้าสู่หนทางอันยิ่งใหญ่แห่งมหายานผู้ฉลาดผู้ปรารถนาจะบรรลุถึงซึ่งสัพพัญยุตายานผู้รู้แจ้งโลกผู้ตื่นผู้เบิกบานสมควรอย่างยิ่งที่จะเร่งบำเพ็ญตนในการปฏิบัติให้มาก เพื่อความสมบูรณ์พร้อมซึ่งเหตุและปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สัพพัญยุตายานจะบังเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเพราะหากเป็นเช่นนั้นทุกๆชีวิตก็จะเป็นสัพพันอยู่กันได้หมดหากสัพพสิ่งมิได้เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วล่ะก็ อะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีข้อจำกัดมันก็จะไม่มีเหตุผลว่าทำไมทุกชีวิตจึงไม่สามารถเป็นสัพพันย์อยู่ได้ดังนั้นเนื่องเพราะสมมุติทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นได้เพียงบางโอกาสที่เหตุปัจจัยของมันเหมาะสมสัพพันยุตายานก็เช่นกัน มันยิ่งมีโอกาสยากมากที่จะบังเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆเวลาทุกๆสถานที่และทุกๆชีวิตก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเป็นสัพพันธ์อยู่กันได้หมดดังนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เหมาะสม และท่ามกลางเหตุปัจจัยเหล่านั้นเธอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพราะหากเธอสร้างเหตุที่ผิดในการปฏิบัติไม่ว่าเธอจะขยันหมั่นเพียรเป็นเวลา น, านานสักเท่าใดเธอก็ไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายได้เชกเช่นการพยายามจะรีดนมจากเขาโคฉันนั้น นอกจากนั้นผลย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้หากเหตุทั้งหลายนั้นไม่ได้ถูกนํามาใช้ทําให้เกิดผลหากเมล็ดพันธุ์หรือเหตุอื่นถูกละเลยไปผลหรือต้นอ่อนหรืออื่นๆที่เกิดจากมันก็จะไม่ถูกสร้างขึ้นดังนั้นผู้ที่ปรารถนาผลอันเฉพาะทั้งหลาย จําต้องเพียนสร้างเหตุและปัจจัยของมันให้สมบูรณ์และถูกต้องเหตุแห่งสัพพัญยุตายานหากเธอถามว่าอะไรเล่าเป็นเหตุและปัจจัยของสัพพัญยุตายานฉัน ซึ่งเปรียบเสมือนคนตาบอดไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้แต่ฉันจะขอยกเอาพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวแก่สิทธิ์ของท่านหลังจากที่ท่านทรงตรัสรู้ใหม่ๆ ม, มาดังนี้โอ้วัชระปานี ปัญญายานอันยิ่งของผู้เป็นสัพพัญญูนั้นมีรากเหง้ามาจากมหากรุณาจิตซึ่งเกิดจากเหตุหลักสามอย่างคือความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ความตื่นรู้แห่งโพธิจิตและกุศโลบายอันเลิศดังนั้นหากเธอปรารถนาที่จะบรรลุถึงสรพพัญยุตายาน เธอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องภาคเพียรปฏิบัติเพื่อสร้างเหตุทั้งสามประการนี้คือมหากรุณาจิตโพธิจิตและกุศโลบายอันเลิศ